พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่13สามัพปริสธรรมสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะของคนดีพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงทั้งธรรมะของคนดีและธรรมะของคนชั่วคือสัพปริสธรรมและอสัพปริสธรรมโดยแสดงธรรมะของคนชั่วก่อนแลแสดงธรรมะของคนดีกำกับ เป็นคู่คู่ไปรวมยี่สิบคู่ในที่นี้จะแสดงแต่ฝ่ายชั่วฝ่ายดีพึงทราบโดยในตรงกันข้ามอาสปุริสธรรมหรือธรรมะของคนชั่วคือยกตนข่มผู้อื่นเพราะออกบวชจากตระกูลสูงเพราะออกบวชจากตระกูลใหญ่เพราะมีคนรู้จักมียศเพราะมีลาปัจจัยสี่ เพราะสะดับตรับฟังมากเพราะทรงจำวินัยได้เพราะเป็นนักกล่าธรรมะเพราะอยู่ป่าเพราะทรงผ้าบางสุกุลคือผ้าเพื่อนฝุ่นที่เก็บเอามาปัติปต่อเป็นจีวรเพราะถือบินธบาตเพราะอยู่โคนไม้เพราะอยู่ป่าเพราะได้รูปประชานที่หนึ่งถึงที่สี่และเพราะได้เอารูปประชานที่หนึ่งถึงที่สส่วนภิกษุ ผู้ก้าล่วงอรูปปัจจนที่สเข้าถึงสัญญาเวทยยตะนิโรธได้ย่อมสิ้นอสุวะไม่ยึดถือสิ่งใดๆพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4เสวิตตพาเสวิตตพสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะที่ควรเสบและไม่ควรเสบพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนาราม รัแสดงธรรมะที่ควรเสพและไม่ควรเสพเป็นสามตอนพระสารีบุตรกราบทูลขยายความย่อให้พิสดารทั้งสมตอนนั้นตรัสรับรองว่าถูกต้องคือ 1. ความประพฤติ ท, ทางกายความประพฤติ ท, ทางวาจาความประพฤติ ท, ทางใจความคิดการได้สัญญาหรือความกำหนดหมายการได้ทิฏฐิหรือความเห็น การได้อัตภาพรวมทั้งหมดเจดหัวข้อแต่ละข้อมีทั้งควรเสพและไม่ควรเสพ 2. รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมะที่พึงรู้แจ้งได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ละข้อมีทั้งควรเสพและไม่ควรเสพส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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดรู้อัตถะคือเนื้อความแห่งคําที่ตรัสไว้อย่างย่อๆโดยพิสดารผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์และความสุข